วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบรตรัตว์ผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลคือความสุขความเจริญของจิตใจการละของของการดับความทุกข์ต่างๆภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปณสถานที่แห่งนี้ เบื้องต้นเราจะมีการแสดงธรรมประมาณ30นาทีด้วยกันแล้วหลังจากนั้นอีก30นาทีโดยประมาณเราก็จะมานั่งสมาธิกันมาปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจมีความสุขทำหลับธรรมที่จะมาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องสมาธิ สมาธิคืออะไรอะไรคือสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นอยู่ในความสงบของใจใจนิ้งเฉยไม่คิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้อยู่กับความสุขอยู่กับอุเบกขาเรียกว่าสมาธิสมาธินี้กับสตินี้เป็นคน คนละคนกันคนละเรื่องกันสมาธิไม่ใช่สติแล้วก็สติก็ไม่ใช่สมาธิสตินี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสติใจก็จะไม่นิ่งไม่ตั้งอยู่ในความสงบการที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องมีสติคือการระลึกรู้ ให้รู้อยู่กับอารมณ์ที่จะ ก, กอบใจเรียกว่ากรรมฐานเช่นคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นต้นสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลแต่ในภาษาไทยบางทีเราใช้สลับกันใช้สัใช้ใช้เหมือนกันเช่นบางท่านก็ใช้คำว่าสมาธิแทนสติเช่นเวลา อา่านหนังสือไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยใจคิดเรื่องนั้นใจคิดเรื่องนี้ไม่อยู่กับการอ่านหนังสืออย่างนี้เราไม่เรียกว่าสมาธิเราเรียกว่าสติไม่ซับไม่มีสติและเล็กลื้ออยู่กับการอ่านหนังสือใจไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาหรือคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึง ลักษณะยานี้เรียกว่าไม่มีสติไม่ใช่ไม่มีสมาธิ <c oughs> สมาธินี้เป็นผลที่เกิดจากการมีสติอย่างต่อเนื่องสามารถระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปได้โดยไม่พังไม่เผลอไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสามารถเจริญสติให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธได้ไม่นาน ก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาจิตก็จะนิ่งจิตก็จะสงบขึ้นมาได้แลวความสงบของจิตนี้ก็มีอยู่สามลักษณะด้วยกันคือสมาธินี้มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าคานิกะสมาธิจิตรวมลงตั้งอยู่ในความสงบได้ช่วงหนึ่งขณะช่วงฟ้าฟ้าแลบหรือช่วงงูแลบลิ้นคือสงบได้แป๊บเดียว อันนี้เป็นเป็นผลที่เกิดจากผู้ที่ปฏิบัติสมาธิใหม่ๆเวลาจะได้ผลเ <c oughs> มื่อจะได้คณิกะสมาธิจิตรวมลงได้ชั่วขณะเดียวแล้วก็ถอนออกมากลับมาคิดปรุงแต่งใหม่นี่คือชั้นสมาธิชนิดที่หนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิก <c oughs> สมาธิชนิดที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิ คือเวลาจิตรวมลงตั้งอยู่ในความสงบได้นานขึ้นได้นานกว่าคณิกาสมาธิเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วชนิดที่สามเราเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่หลังจากจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วจะไม่ตั้งมั่นจะไม่อยู่นิ่งๆจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์ไปพบกับ กายทิพย์ต่างๆไปพบกับผู้พีเทวดา <c oughs> สามารถมีอิทธิฤทธิต่างๆเช่นอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้อรึกชาติได้เป็นต้นนี่คือชนิดที่สามเรียกว่าอุปจารสมาธิในสมาธิทั้งสามชนิดนี้ <c oughs> มีอัปปนาสมาธิ <c oughs> ที่เป็นสมาธิที่ สำคัญที่เราควรที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญให้มากๆ <c oughs> เพราะสมาธิอัปปนาสมาธินี้จะมีอุเบกขาจะทำให้ใจมีพลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ <c oughs> เราจะต้องใช้ชนิดสมาธิชนิดนี้คืออัปปนาสมาธิว่าเจริญปัญญาเ <c oughs> วลาเราจเจริญปัญญา แล้วเราพิจารณาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆ<ม>ความทุกข์จะนําความอยากต่างๆจะนําพาจิตให้ไปเจอกับความทุกข์ต่างๆ<ม>เพราะสิ่งที่ตัณหาอยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆล<ม>้วนเป็นอนิจจังคือเป็นของไม่เที่ยงล<ม>้วนเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะ เก็บครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปบ้างมีการดับไปบ้างเพราะสิ่งที่เราอยากได้และได้มาแล้วเสื่อมไปดับไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่ ตันหาความอยากอยากได้นั้นจะนำไปสู่ความทุกข์ถ้าใจมีอุเบกขามีอัปปนาสมาธิใจก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหายไปเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเรงอย่างนี้ถ้าหมอบอกว่าเป็นขั้นที่สามไม่สามารถรักษาได้แล้ว ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงแก่ความตายตอนนั้นใจของเราจะทุกข์มากเพราะเราไม่อยากตายกันเรายังอยากจะอยู่กันแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธาตุสี่ เป็นอาการสาสสองที่ทำมาจากธาตุสี่ที่จะต้องแยกตัวกันไปวันใดวันหนึ่งธาตสี่ที่มีลมตัวกันพอร่างกายหยุดหาย ใ, ใจธาตุทั้งสี่ก็จะแยกกันไปทีละธาตุไปไปด้วยธาตุลมก่อนตามด้วยธาตุไฟตามด้วยธาตุน้ำ <c oughs> แล้วก็เหลืออยู่แต่ธาตุดินไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้าอยากให้มันไม่ตายอยากให้มันอยู่อยากให้มันไม่เจ็บ่ายได้ป่วยก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาที่ใจพอใจพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากไม่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายด้วยการยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย ไม่มีใครร่วงพ้นไปได้ไม่มีใครทำให้มันไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าไม่มีสมาธิอัปปนาสมาธิใจจะไม่มีกำลังหยุดความอยากถึงแม้ปัญญาจะสอนว่าเป็นทุกข์อย่างมากทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เองถ้ามีสมาธิมีอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาใจก็จะหยุดความอยากนี้ได้อยู่เฉยๆได้สักแต่ว่ารู้ได้ อยู่กับร่างกายไปรู้ว่าตอนนี้มันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บไปรู้เฉยๆไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บรู้ว่ามันจะตายก็ไม่มีความอยากให้มันไม่ตายรู้เฉยๆเพราะไม่ต้องการจะให้ใจทุกข์นั่นเองพอใจมีโอเบขามีอัปปนาสมาธิแล้วก็มีปัญญาที่เห็นอนิจจังในร่างกายเห็นอนัตตาในร่างกายใจก็หายทุกข์ได้ อยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้นี่คือความสําคัญของอัปปนาสมาธิเป็นธรรมเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิในมรรคแปดการที่เราจะใช้มรรคแปดเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ต่างๆได้เราจําเป็นที่จะต้องมีอัปปนาสมาธิส่วนอุปจารสมาธินี้ เป็นสมาธิที่ไม่สำคัญไม่ไม่ได้ช่วยในการที่จะทำให้ใจสู้กับกิเลสได้เพราะอุปจาระสมาธินี้ไม่มีกำลังคือไม่มีอุเบกขาไม่อยู่นิ่งเฉยเพอเข้าสมาธิชนิดนี้ก็จะออกไปท่องเที่ยวตามโรกทิพย์ต่างๆหรือไปละเลิกชาติได้หรือไปละคิดถึงอ่านความคิดของค น, คนอื่นได้เวลาออกจากสมาธิแบบนี้มาจะ จะไม่มีใจจะไม่มีกําลังไม่มีอุเบกขาติดออกมาด้วยพอเจอกิเลสเจอความเจ็บเจอความตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นสําหรับท่านที่มีความสามารถที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธิได้สามารถมีมีฤทธิ์มีเดชได้ก็ขอให้ระมัดระวังอย่าไปหลงกับความสามารถเหล่านี้เพราะมันจะไม่ช่วยในการที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับ ความทุกข์ต่างๆถ้ามีความสามารถจะเข้าสมาธิแบบนี้ก็อยากเข้าไปเวลามันจะเข้าก็ให้ดึงออกมาใช้สติดึงกลับมาให้อยู่ในอัปปนาสมาธิแทนให้อยู่นิ่งๆ่งเฉยเฉยสักแต่ว่ารู้ไปใจจะได้มีกําลังมีอุเบกขาเวลาเจอความทุกข์ต่างๆก็สามารถวางเฉยได้วางเฉยได้ความทุกข์ต่างๆก็่าดับไปได้ แต่ความสามารถในอุปจารสมาธินี้ก็ดีอยู่อย่างคือไม่ไม่ใช่ทุกคนที่ฝึกสมาธิแล้วจะเข้าถึงสมาธิอันนี้ได้มีจำนวนน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะไม่มีไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรต่างๆดงนั้นสหรับท่านที่ไม่มีก็ไม่ต้องกังวลและอยากไปอยากมีเพราะการมีฤทธิ์เหล่านี้ไม่สามารถจะทาให้เรา บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราหมดสิ้นไปได้สิ่งที่จะทำให้ใจของเรานี่หมดหมดความทุกข์ได้ก็คืออุปะจะอัปปนาสมาธิคือจิตรวมตั้งมั่นอยู่ในความสงบเป็นระยะเวลานานๆเช่นบางครั้งนั่งทีก็สงบได้ทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นต้องฝึกบ่อยๆ เข้าออกสมาธิบ่อยๆเวลาออกมาจากสมาธิตั้งพักหนึ่งความสงบนิ่งมันก็จะจางหายไปเพราะอานาจของกิเลสตัณหามันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะมาก่อกวนสร้างความอยากต่างๆสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้ายังไม่มีปัญญาก็กต้องใช้สติหลังขับความวุ่นวายใจด้วยการกลับเข้าไปในสมาธิก่อนให้ฝึกสติฝึกสมาธิให้ชนานาญ สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาหลังจากนั้นเวลาออกจากสมาธิมาเวลาเจอความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่อยากว่าเป็นอนิจจังหรือไม่เป็นอนัตตาหรือไม่ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอนิจจังแต่เราอยากให้มันเป็นนิจจังมันเป็นของชั่วคราวแต่เราอยากให้มันเป็นของยั่งยืนถาวร มันไม่ใช่เป็นของเราแต่เราก็อยากให้มันเป็นของเราเราเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องเห็นว่าเราไปทำให้มันเป็นของเราไม่ได้เราไปทำให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้มันเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นสิ่งต่างๆก็ดีเป็นคนก็ดีเป็นอะไรก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้น นี่คือการใช้ปัญญามาเพื่อจะมาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากด้วยการเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขเราได้อย่างยั่งยืนถาวรความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลามันเสื่อมมันก็จะทําให้ใจเศร้าโศกเสียใจได้ถ้าไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจก็อยากไปอยากให้มัน เป็นของเราอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่มันจะไปก็ปล่อยมันไปเช่นร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมันต้องวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปด้วยกันทุกคนไม่มีใครไปหักห้ามมันได้เพราะมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ ทำมาจากธาตสี่มีอาการส2มสองมีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น น, นี่คือการคิดด้วยปัญญาคิดให้เห็นอนิจจังคิดให้เห็นอนัตตาเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราจะได้ไม่ไปอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มี อ, อัปปนาสมาธิเราก็จะไม่สามารถปล่อยวางได้ เราก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้แต่ถ้าเรามีอัปปนาสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขานิ่งเฉยได้สักแต่ว่ารู้รู้รู้เฉยเฉยรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้เวลามันแก่ก็เฉยไปยอมรับความแก่เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยไปยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันจะตายก็ยอมรับมันไป ถ้าทําได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียการพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงพวกเราเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักนี่เราต้องจะต้องร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว อยู่กับเราชั่วข่าวเท่านั้นเองไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปแม้แต่ร่างกายของเราเองก็เช่นเดียวกันอย่าว่าแต่ร่างกายของคนอื่นเลยร่างกายของแฟนเราของคนที่เรารักของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องของเพื่อนทั้งหลายนี่ก็เป็นของชั่วข่าวทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปถ้าเราไม่ได้มีปัญญาสอนใจเตือนใจให้ปล่อยวางให้ยอมรับความจริง แล้วก็ถ้าเราไม่มีอัปปนาสมาธิไม่มีโอเบขาเราก็จะไม่สามารถปล่อยวางได้เราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่สำหรับคนที่ฝึกสมาธิจนชํานาญมีอัปปนาสมาธิมีโอเบขาอยู่เกือบตลอดเวลาขณะอยู่ในสมาธิก็มีโอเบขาเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังมีโอเบขาตามมาด้วย แต่จะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ที่กำลังของสมาธิที่เข้าไปว่าเข้าไปได้นานหรือไม่ถ้าเข้าไปในสมาธิได้นานเวลาออกมาอุเบกขาก็จะอยู่ได้นานแต่ไม่ช้าก็เร็วอุเบกขาก็จะค่อยๆจางหายไปก็จำเป็นที่จะต้องกลับเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเข้าไปชาร์จแบตเข้าไปเติมอุเบกขาความนิ่งเฉยแล้วพอมาใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจว่า สิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้ล้วนเป็นทุกข์ทังนั้นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้ความสุขเราอย่างยั่งยืนถาวรมันไม่เป็นของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลามันกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการขึ้นมามันก็ทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาได้ น, นี่คือเรื่องของสมาธิและเรื่องของปัญญาที่สนับสนุนกัน ก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้ใช้ปัญญาสอนใจให้เราปล่อยวางได้เราต้องมีกําลังปล่อยวางก่อนกําลังของการปล่อยวางก็เกิดจากการเข้าอัปปนาสมาธินี่เองเข้าไปให้ใจอยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆนานๆออกมาเวลาเห็นอะไรก็จะได้เฉยๆได้เวลาใครก็ดา่าเราก็เฉยๆได้เวลาเขาจะทำร้ายเราเราก็เฉยๆได้เพราะเรามองว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นเหมือนลมพัดเหมือนแดดออกเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่ไปห้ามไปสั่งมันได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือควบคุมใจเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับการกระทําของคนอื่นได้คนอื่นจะว่าเราก็ปล่อยเขาว่าไปคนอื่นก็จะทําร้ายเราถ้าหลบไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาทาร้ายไปคิดว่าเป็นกรรมของเราไป แต่ใจเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่มากระทบกับตัวเราถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาจากสมาธิแล้วก็มีปัญญาที่เห็นทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาอนัตตก็คือไม่มีตัวตนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติร่างกายของพวกเรานี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการกระทําของร่างกายต่างๆก็เป็นเหมือนกับกา ร, ราการกระทำของของธรรมชาติ ไม่มีตัวไม่มีตนเช่นเวลาที่เราเดินไปแล้วถูกฝนสาดทําให้เราเราเปียกนี่เราจะไม่โกรธฝนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเราโดนใครเขาสาดน้ําใส่เรานี่เราจะโกรธเขาขึ้นมาทันทีทั้ท ง, ทงที่ร่างกายเราก็เปียกเหมือนกันแต่เปียกแบบถูกฝนเปียกไม่กลับไม่โกรธแต่เปียกเวลาที่ถูกคนอื่นเขาแกล้งเขาสาดน้ําใส่เราเรากลับไปโกรธเขาอันนี้ก็เพราะว่าเรามองไม่ มองไม่เห็นว่าเขาเป็นธรรมชาติเหมือนฝนเราไปมองเห็นว่าเขาเป็นคนเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมบังคับการกระทาของเขาได้แต่ความจริงเขาก็ควบคุมการกระทาของเขาไม่ได้บางทีเขาก็คึกขนองความคึกขนองก็เป็นการทำงานของธรรมชาติอย่างหนึ่งพอเกิดความคึกขนองก็สั่งให้ร่างกายไปแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้ขึ้นมามันก็เป็นการกระทาของธรรมชาติเหมือนกัน ถ้าเราคิดดีๆเราจะเห็นว่าไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทําเกิดจากเหตุเหตุใหญ่ที่สุดก็คือความคิดปรุงแต่งสําหรับคนการกระทําของคนนี้เกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งสังขารก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้ตลอดเวลาบางทีเราเ อ, ยอยากจะให้มันนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้ มันไม่ยอมนิ่งมันอยากจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันอยากจะไปทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เราก็ห้ามมันไม่ได้เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครกลั่นแกล้งเรามันเป็นเรื่องของของเหตุของปัจจัยต่างๆที่มันเป็นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการกระทำต่างๆขึ้นมาถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่มีในโลกนี้ ทาเดียวท่านั้นก็คือเราอยากเราอยากกลับมาเกิดในโลกนี้อีกท่านั้นแหะถ้าเราไม่มาเกิดแล้วทุกข์ก็ย่อมย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดแต่ถ้าถาได้เมื่อมีการมาเกิดก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆที่มีในโลกนี้ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเรามีธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าแล้วสามารถปฏิบัติตามคําสอนได้สร้างอุบเบกขาขึ้นมาในใจได้บองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็น ปรากฏการทางธรรมชาติทั้งนั้นใจเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจของเราได้แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือการเราการอย่า ก, กลับมาเกิดอีกเลยจะดีกว่าการจะกลัมไม่กลับมาเกิดอีกเลยก็ต้องมีมีสมาธิและมีปัญญานี่แหละที่จะต้องคอยเหตุหยุดเหตุที่จะพามาให้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ เหตที่พาให้เรามาเกิดก็มีกามาตัญหาความอยากเสพความความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภาพต่างๆเราก็ต้องพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสลดด้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสมันมีทั้งแบบที่สุขและมีแบบที่ไม่สุขเวลาที่เราได้รูปเสียงกลิ่นรสที่สุขเราก็ดีใจมีความสุขกันเวลาที่เราสูญเสียมันไปแล้วก็เศร้าโศกเสียใจกัน เวลาที่เราไปเจอกับรูปเสียงกิเรสที่ให้ทุกข์กับเราเราก็ทุกข์ใจกันอีกต้องพิจารณาให้เห็นว่ารูปเสียงกิเรสนี้มันเป็นทุกข์ทุกช้าหรือทุกเร็วมันแต่ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องทําให้เราทุกข์ให้รูปเสียงกิเรสของคนนั้นคนนี้มาพออยู่กับเขาก็มีความสุขพอวันดีคืนดีเขาตายจากไปความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปสิ่งที่ได้มาทดแทนที่ก็คือความทุกข์ใจ เพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเขานั่นเองไม่มีอะไรอยู่อย่างแบบยั่งยืนถาวรทุกสิ่งในโลกนี้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดเราต้องพิจารณาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆนี้ล้่นเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญมีเสือ่อมมีเจริญรากก็มีการเสือ่อมรากเป็นธรรมดา มีจลัญยศก็มีการเสื่มยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็ย่อมมีนินทาตามมาเป็นธรรมดามีสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดก็จะมีทุกจากรูปเสียงกลิ่นลดปฎิภาสตามมาเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีที่หลีกเลี่ยงก็คือถ้าในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คือต้องใช้อุเบกขาใช้ปัญญาวางเฉยอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาจะเป็นอย่างไรก็อยู่กับเขาไปใจก็จะไม่ทุกข์กับมันได้แล้วถ้าไม่อยากจะทุกขไปอย่างยาวนานก็อยากกลับมาเกิดไปหยุดตัณหาความอยากต่างๆหยุดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญหยุดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลสะพามาเสกให้อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบแทนอยู่กับอุเบกขาอยู่กับสมาธิแทนใจก็จะได้ไม่ต้องาอาศัย ราบยศสรเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกิิย์รสต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นเครื่องมือการให้ความสุขเมื่อไม่มีปัญหาความอยากในราบยศสรเสริญสุขแล้วใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดได้เมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายตามมานี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่พุทธเจ้าทรงใช้ในพระอนันต พระอรหันต์ตสาวกทั้งหลายได้ใช้แก้กันก็คือท่านมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจต้นก็หยุดความอยากที่จะเสพกามเพื่อตัดการกลับมาเกิดในกามะพกแล้วก็ต้องมาหยุดความอยากที่อยากจะเสพสมาธิรูปฌปานกับรูปฌานเพราะว่ารูปฌานกับรูปฌานก็เป็นเหมือนกามเหมือนกามเหมือนรูปเสียงกินลดไปดนนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน ก็ต้องละเหมือนกัน <Hi> <up Gym. S 1> ไม่ให้ไปยึดไปติดกับรูปประชานอรูปประชานถ้ายังติดรูปประชานอยู่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นรูปประพมมอยู่ถ้ายังติดในอรูปประชานอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นอรูปประพมมอยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเลยก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ตัดความอยากเสพกามตัดความอยากเสพรูปประชานตัดความอยากจะเสพอรูปประชานให้ได้ด้วยการพิจารณาว่ากาม การมาคุณห้าก็ดีรูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางนั้นล้วนเป็นทุกข์ท้งนั้นเพราะเป็นของชั่วข่าวพอพิจารณาได้ด้วยปัญญาแล้วแล้วจิตก็มีอุเบกขาจากสมาธิแล้วก็สามารถปล่อยวางตัณหาความอยากทั้งทั้งสามนี้ได้โดยอย่างสิ้นเชิงพอกําจัดและตัณหาความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วเหตุที่จะพาให้มากลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน การมาพบก็ดีในรูปพบก็ดีในอรูปพบก็ดีก็จะสิ้นสุดไปหมดไป <Yeah. S 1> เมื่อไม่มีการกลับมาเกิดเราก็เรียกว่าจิตนี้เป็นนิพพานจิตตั้งอยู่ในนิพพานที่เป็นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนิพพานนี้อยู่นอกตายพบอยู่นอกสังสารวัฏผู้ที่ยังไม่ไปถึงนิพพานนี้ยังต้องอยู่ในตายพบไปก่อนแม้แต่พระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเห็นขั้นที่สามก็ยังติดอยู่ในตายพบอยู่ พระโสดาบันก็ติดในการมาพบไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากพระสกีดาคามีก็ติดในกามาพบเพียงหนึ่งชาติพระนาคามีนี้จะไม่ติดในการมาพบแต่จะไปติดในรูปภพเพราะยังมีรูปประชานยังติดอยู่ในรูปประชานอารูปประชานอยู่สำหรับหลานเท่านั้นที่จะไม่ติดในตายภพเลยจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอีกต่อไป การจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องเริ่มต้นอยู่ที่การฝึกสตินั่งสมาธิทำจิตใจให้รวมให้เป็นอัปปนาสมาธิแล้วพยายามฝึกฝนการเข้าออกอัปปนาสมาธินี้ให้ช่องให้ชำนาญให้เข้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการแล้วก็ให้อยู่ได้นานๆไปจนสามารถทำให้ใจนิ่งเฉยเวลาที่ออกจากสมาธิมาได้ก็ ใช้การใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากกับมันอย่าไป ย, ยึดติดกับมันอย่ายไปยินดีเพื่อที่ใจจะได้ไม่ไปสร้างความอยากเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกความอยากที่เคยอยากจะได้สิ่งต่างๆก็จะหายไปหมด uh, <i> นนี้ก็คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือเรื่องของสมาธิโดยเฉพาะเรื่องของอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่จะ เราจะต้องเจริญให้มากๆเจริญให้บ่อยๆเพื่อจะได้สนับสนุนการเจริญปัญญาการใช้ปัญญาในการระงับดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากสารหาความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพื่อใจจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แข่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างทาวอนการแสดงสาหรับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีในลาดับต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมา นั่งสมาธิให้เกิดอัปปนาสมาธิขึ้นมากันให้จิตรวมตั้งอยู่ในความสงบให้สักแต่ว่ารู้ให้มีอุเบกขาให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบการที่จะทําทให้ใจนิ่งสงบได้ก็จําเป็นต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือสติก็คือการระลึกรู้สตินี้ต้องบังคับให้จิตระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบอารมณ์ที่กล่อมใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐาน เช่นพุทธานุสตินี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งคือการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือว่าการดูลมหายใจเข้าก็เรียกว่าอานาปนาสติอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างเวลานั่งสมาธิต้องมีกรรมฐานถูกใจไว้มีสติระ ล, ลึกรู้ผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งแต่บางท่านอาจจะใช้สองอย่างควบคู่ไปก็ได้เช่นดูลมแล้วก็มีพุทโธไปด้วยหายใจเข้าก็ วาพุทธหายใจออกก็ว่าโทอย่างนี้ก็ได้บางท่านก็ใช้ดูที่หน้าท้องดูลมที่หน้าท้องเวลาลมเข้าไปท้องก็พองขึ้นมาเวลาลมออกมามันก็ท้องก็ยุบลงไปก็มีเวลาท้องพองขึ้นมาเรียกว่าพองหนอเวลาท้องยุบเข้าไปแล้ยวยุบหนอยุบหนอะพองหนอให้มีสติแล้วเลือกอยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรที่มาปรากฏมีเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจ มีภาพมีสีมีแสงอะไรต่างๆเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปแล้วก็ให้ปลูกใจให้อยู่กับกรรมฐานไปอย่างเดียวสิ่งต่างๆที่เข้ามาเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปทําอะไรให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับลมไปหรือ mm hmm. ถ้ายังดูพุโทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้ก็ใช้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ mm hmm. สวดบทไหนที่เราจําได้สวดไปเรื่อยๆ เป็นกว่าใจเราจะกลับมาดูลมได้อยู่กับพุโทโธได้เราก็ข้ อ, ย, อ ย, ยุดสวดทําอย่างนี้ไปแล้วรับประกันได้ว่าไม่ช้าก็เร็วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิขึ้นมาเปนัปปนาสมาธิขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราจะมาปฏิ บ, นะบัติกันณบัดนี้จนกว่าจะหมดเวลาประมาณสักยี่สิบเจ็ดนาทีด้วยกัน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 สติยังมีกำลังน้อยก็หมั่นเจริญสติก่อนที่จะมานั่งระหว่างวันนี้เราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันริกอัมพุโทโธพุโทโธทั้งแต่ตื่นจนหลับไปแล้วจะมีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิต่ตอไปก็จะสงบได้ง่ายขึ้นต่อไปนี้จะขออนุมูทนาให้พรยะ้ า, าวาริวาหาปุราตาริเปเรนติสะกัง เอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิบเมวาสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิจโตเตลาโสยธาสัพพิตโยวิวัจฉันตุสัพพโลกวินาสตุ มาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาธนสิลิสะนิจจาวุธาปจายโนจตารโหธรรมวทานเตอายุวันสุขังภาลัง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 Youtube Dr. V81 ร์วีแปดสิบเอ็ดทยุออนไลน์เก้าคลับเฮาสีหน้ากุฏิ188รวม814ค่ะโอเค go ahead. Speak. ี um, my name is giuseppe m a t e o from italy <Yes. S 3> and my question is uh, in this world so perfect ah uh, who is the director And why all this e r Everything is perfect in this life. Everything is perfect. I want to talking about holy. Everything is perfect. Well, it's natural. See, everything is natural. It happens because there are some condition causing them to happen. There's no one particular director who direct everything. It's like nature working with itself. You and me are part of nature, and we just come and participate in the i this world by the law, law of nature. So there's no self, nobody direct. Only thing that affect us is our action. What we do, what we say, can cause us to be happy or be sad. So do the things that will make us happy. And avoid doing the things that will make us sad or not happy. Then we can live a a, a happy life. Understand? n s a So we follow the flow. We follow yeah. the natural thing. Yeah. Just everything. Let things be. You cannot change nature. y yeah. o u have you to follow the, flow, the yeah, flow. Follow the flow. The energy. Yeah. Follow. Follow with the the flow of nature. Okay. If it rains, let it rains. If it Sunshine, it's sunshine. Don't try to interfere with nature. Then we can live happily. When we try to interfere, when we want to change nature, we can get frustrated and not happy. I understand. Okay. Thank you for h o w i n g me. All right. Thank you. You're welcome. Uh, we have a couple from Singapore. Do you have any questions? The people who came here from Singapore. If you have any questions, you can come come out here and we'll give you the microphone to speak. No? Okay. If you if you want to, you can come out later. Ah, our questions. Questions. q u e s t i o n Ask questions. I practice meditation, but I never see anything. Is it right or wrong? อยากได้ฌานต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะนั่งสมาธิเพื่อให้ใจนิ่งให้ใจสงบไม่ต้องการให้เห็นอะไรเพ้นถ้าไม่เห็นน่ะดีกว่าเห็นเห็นแล้วมันจะทำให้ใจไม่สงบเนั้นอย่าไปเห็นอะไรให้มันนิ่งให้มันสงบเป็นฌานขั้นต่างๆการที่จะเข้าฌานขั้นต่างๆก็ต้องมีสติควบคุมจิตให้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์กอมจิตเช่นพุโทโธพุโทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออก แล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นขั้นขั้นไปขั้นชา้นที่หนึ่งชา้นที่สองชา้นที่สามชา้นที่สี่คำถามฝากถามจากหน้ากูติ3ามคำถามค่ะข้อแรกสวดวันแล้วเข้าใจคําสวดไม่ท่องแท้มีคําแนะนําอย่างไรในทําความเข้าใจเจ้าคะคือก็ต้องไปปรึกษาถามผู้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่าที่ท่านบรรลุธรรมแล้วก็จะช่วยอธิบาย คำคำสอนของผู้เจ้าให้ให้ละเอียดขึ้นได้พราวบางทีเราอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจเพราะภาษาบางทีที่แปลมามันก็เป็นภาษาต่างภาษากันแล้วแปลเป็นแบบงูป่า snake snake fit f i เ, เ <c oughs> พราะหลังฟังกไม่ดูเรื่อง I speak English snake snake fit เป็นปแปลภาษาไทยว่าเราพูดภาษาอังกฤษงูป่า ภาาาษบลีแปลมาเป็นภาษาไทยแปลตรงตัวมันก็เลยไม่เข้าใจความหมายต้องอาศัยผู้ที่ได้ปฏิบัติมาถึงจะรู้ความหมายคำถามข้อที่สองบุพการีมีความกระตือรือร้นในชีวิตสูงแนะนําให้เขามีสติมากขึ้นอย่างไรดีเจ้าคะเ อ, อถ้าพ่อแม่เราอย่าไปต้องแนะนําเลยเขาเรียงเรามาเขาต้องแนะนําเราเราอย่าไปแนะนําเขาเออถ้าเขาต้องการ คำปรึกษากันให้คำปรึกษาได้แต่อยู่ดีๆอย่าไปเป็นอาจารย์สอนพ่อแม่ไม่ถูกข้อสุดท้ายค่ะในการภาวนาหลวงพ่อแนะนําปฏิบัติอย่างไรบ้างคะปฏิบัติให้มากตั้งแต่ตื่นจนหลับคือการเจริญสติให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทโธบ้างอยู่กับร่างกายบ้างก็ได้สลับกันไปแต่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดอดีตอนาคตแล้วมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิให้มากๆ ้วราจะจะคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิอีกท่านหนึ่งค่ะในการภาวนาระหว่างวันเมื่อกระทบอารมณ์ที่จิตวั่นวหวเคยลองระลึกถึงบวงพ่อเป็นสังคารู้สตินึกถึงคำสอนใบหน้าและบริกรรมสังโคสังโคสังโ ค, งโคจิตดีสงบสะอาดแบบนี้ใช้ไปบ่อยได้ไหมคะได้ถ้ามันได้ผลดีก็ใช้ไปได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ได้ผลก็เปลี่ยนอย่างเป็นอย่างอื่นบ้างก็ได้ บางทีมันอาจจะไม่ได้ผลบางเวลาก็เปลี่ยนเป็นพุโทโธพุโทโธธรรมโมธรรมโมไปก็ได้คำถามจากทาง Facebook คุณปอค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าพิจารณาแบบย้อนแยง้งต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบต่อจิตใจเป็นการพิจารณาถูกต้องหรือไม่อย่างไรเช่นโทษตัวเราเองท่านพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้แนะด้วยครับก็ต้องพิจารณาตามหลักความเป็นจริง อย่าไปถือว่าต้องย้อนแย้งเสมอไปต้องความเป็นจริงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้หรือไม่ได้ให้พิจารณาในลักษณะนี้ถ้ามันไม่เที่ยงเราก็อย่าไปอยากให้มันเที่ยงถ้ามันเราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็อย่าไปอยากให้มันควบคุมไม่ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันให้พิจารณาแบบนี้พิจารณาในแนวของตายรักษอันนี้จังทุกขังอนัตตาคําถามจากทาง u t u b e คุณใบยก ค, ค่ะ ปัจจุบันเวลารู้ได้ยินเสียงที่ไม่พึงปรารถนารู้จะคิดได้ว่าอ๋อนั่นคือลงพัดมาแล้วก็ไปใจจึงไม่นำพามาปรุงต่อให้เกิดทุกข์ู้จะค่อยๆใช้ปัญญาไปพระอาจารย์เมตตาชี้แนะลู่เพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะถูกต้องทุกอย่างไม่มีตัวตนทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแม้แต่คนที่เราคิดว่าเป็นตัวตนก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไป ที่ไม่มีใครไปสั่งไปห้ามเขาให้ทำอะไรตามที่เราต้องการได้เสมอไปดังนั้นก็ปล่อยให้เขาทำไปเขาจะพูดก็พูดไปเขาจะทำอะไรก็ทำไปหน้าที่ของเราก็คือวางเฉยต่นนั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเขาคำถามจากคุณปฏิพัทธ์มีสองคำถามค่ะกามอารมเหมือนยาเสพติดไหมครับแล้วมีวิธีไหนระงรับอารมณ์นี้ได้ดีที่สุดครับก็สตินะั่นช่วยได้ เวลาเกิดการมารม์ก็นั่งสมาธิจรันสติพุโทโธพุโทโธไปพอใจสงบความอยากในการมารม์ก็จะหายไปถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าการมารมม์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมันไปอยากได้มันนั้นเราต้องอย่าไปอยากมันเราต้องปล่อยวางอย่าไปอยากอย่าไปหาความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์อย่าไปหาอย่าไปเสพการมารม์เหมือนเสพยาเสพติด คำ ถ, ถามข้อที่สองค่ะถ้าเราเป็นครูแล้วต้องใช้ความคิดในการสอนเยอะมีโอกาสความจะฟุ้งซ่านไหมครับแล้วควรฝึกสมาธิกับอาชีพเราแบบไหนให้สมดุลเพื่อไม่ให้ความคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับเ็ต้องมีสติคอยยับยั้งความคิดที่ไม่จำเป็นคิดเท่าที่จาเป็นคิดท่ที่เกี่ยวข้องกับการการสอนหนังสือจะไม่คิดถึงเรื่องอื่น ถ้าไปคิดถึงเรืนองื่นก็ใช้ปอดกรรมพุโทโธพุโทโธคอยหยุดมันไว้แล้วใจเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k คุณอมรรัตน์ค่ะมีคารวาสอนธรรมท่านหนึ่งว่าก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งต้องสมาทานศีลก่อนถึงจะได้บุญมากจริงไหมคะคือการสมาทานนี้เป็นการตั้งเจตนาว่าจะไม่ทำบา แต่ถ้าเราสมาทานแล้วเรารักษาศีลอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปสมาทานทุกครั้งไปคำถามจากคุณวรุณยุพาคาสอนของหลวงตาคือให้ปล่อยวางถ้าร่างกายเจ็บป่วยให้เข้าใจว่านี่คือของชั่วคราวแต่ในทางปฏิบัติเราควรออกกำลังกายกินอาหารมีประโยชน์เพื่อรักษาร่างชั่วคราวนี้ดิฉันมีความสับสนเจ้าค่ะควรทาอย่างไรคือรักษาได้ก็รักษาไป พาถึงเวลาที่รักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไป You have question ภาษาไทย Yes Okay Speak closer to the microphone How do you begin to study Buddhism By reading books <laughs> or you can go into the internet There's a good uh, good website called Access to Insight .org and there are lots of Teaching by the Buddha that you can study, or teaching by the Thai meditation masters. But you have to start reading first to learn what the teaching is about, what you're supposed to do. See, Buddhism, b d h i s m teachers us, us how to get rid of suffering, getting e t t i n g rid of sadness and happiness. Once we know how how to do, then e we, we start practicing. Like today, we do some meditation. This is one way to calm the mind, and the mind becomes calm. The sadness will disappear temporarily. So you have to study. The more you study, the more you learn. The more you know how to deal with your suffering, how to get rid of your suffering, your sadness, your frustration, your stress, your this anxiety and worries. Everything that that's bad inside you can be got rid of by the practice, following the teaching of the Buddha. Okay, all right. Thank you. Yes. Okay. I have some books. I my teaching in English. The lady can give you some later. o คุณแก้วมีนังซื้อภาษาอังกฤษเดี๋ยวช่วยหยิบให้คุณโยมหน่อยนะเดี๋ยวซื้อบาดี l ็ give ที่อยู่เลยดู You're welcome. Where are you from? California. California. I was in Fresno for five years. Oh, well, Fresno. Yeah, Fresno. Went to Fresno State and Fresno City College. Okay. Okay. When you were a monk, you went to Fresno. City? No, no. Before I was a monk. When I was young, I was 20. I'm 78 n o w So <laughs> but I went to study engineering. Oh. But after I finished engineering, I didn't. I decided I didn't like it, so I, I wanted to become a monk. I like meditation better. So I became a monk after that. Okay. Yes. Thank you. All right. Just go back to your seat, and we have someone send you the book, give you the books later, unless you have more questions. Okay. Oh, here we are. Ready? That's my bag. Cafe, I think. Okay. Top. have w y o t h a e w young. k u k u e w y t to คือว่าเวลาหนูนั่งสมาธิอะค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้อะค่ะพยายามจ ะ, ะไม่ออกมาจากที่หลวงพ่อสอนก็คือให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าจะมีความเจ็บปวดจากการนั่งอะค่ะที่เป็นเหมือนเหมือนเน็บชาค่ะคือมันปวดมากจนหนูพยายามที่จะโฟกสัสกับลมหายใจเข้าออกหลายครั้งมากที่จะไม่ไม่ขยับหรือเปลี่ยนท่าค่ะจนกว่าจะจบที่หลวงพ่อ จะบอกให้เลือกค่ะแต่ว่าหนูก็ยังทําไม่ถึงเหลือแค่สี่นาทีก็ลองเปลี <ul> ่ยนเป็นใช้คําบริกรรมดูคําบริกรรมมันจะช่วยให้เราอยู่อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่กังวลกับความเจ็บได้จนใช้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเพราะดูรวมงทีสติมันมีกําลังไม่มากพอใช้ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธมันจะมีกําลังมากกว่าแล้วเราก็จะลืมเรื่องความเจ็บได้แล้วความเจ็บก็จะไม่มาลบกวนใจแล้ว ล<น>องท่องดูหร <นะ S 1> ือสวดว น, นไปภายในใจก็ได้อตอนนั้นมันต้องใช้กําลังเพิ่มมากขึ้นเลยต้องใช้การสวนหรือใช้การบริกรรมดูลมเฉยๆมันจะมันจะถูกความเจ็บเด้งไปเรือ่อยๆอ๋อค่ะลองดูนะได้ค่ะหรือว่ามีวิธีที่หนูจะต้องฝึกเพิ่มก็ทําอย่างนี้จัง ก, กัดเราจะผ่านผ่านความเจ็บได้ค่ะ <Okay. S 2> ถ้าดูรวมแล้วมันทนไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเปลี่ยนเป็นสวดมนต์อิทธิบิสมุภควาลัางสัมมาสัมพุทโธสวดไปเรื่อยเรื่อยเป็นกว่าเราจะลืมความเจ็บค <c oughs> ่ะแล้วใจเราก็จะนิ่งไม่เดือดร้อนกับความเจ็บได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคสาธุคาถามจากทาง facebook คุณเตือนใจคะ่ะ เวลาทําบุญควรตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรจึงจะได้บุญมากเจ้าคะคือบุญมากบุญน้อยไม่ได้อยู่ที่การตั้งอธิษฐานเนอะอยู่ที่การให้ของเราเราให้มากหรือให้น้อยให้สิบบาทแล้วอธิษฐานจนวันตายก็ไม่ได้ให้เท่ากับให้ร้อยบาทมันบุญมากบุญน้อยอยู่ที่การให้เจตนาอธิษฐานนี่เป็นเพียงการเตือนใจว่าต่อไปนี้เราต้องทําบุญบ่อยๆนะอธิษฐานแบบนี้เราจะได้บุญมากๆ ไม่ใช uh ่อ huh. ธ uh ิษฐานอย่างนู้นอย่างนี้เราจะได้บุญมากมันไม่ได้อยู่ที่อธิษฐานอยู่ที่การให้การกระทำมีผู้หญิงไหมท่านโอเค go ahead good afternoon อาจารย์ I would like to know more about non-self and non how to practice non-self in our daily life okay is you have self or not โอเค Do you, do, is your hair a self or not? Not self. Is there self in your hair? y e there's s a self. What does it do? It w times, i s by, t w l um, change. i Is it like the leaf on the tree? Your hair and the leaf on the tree are they the same? Yeah. Okay. There's no self in the leaf, right? There's no you in the leaf, so there's no you in the hair either. Same thing with your nail, your teeth. Every part of your body has no you in it. There's no self in this body. There's no you in this body. If you break up the body, you'll find that every part doesn't have you in that. Isn't part of you. Isn't part of yourself. Understand? Think of the body like like like a tree. Uh, your body has a, a trunk like a, the tree trunk, yeah. And your hair is like the leaves. There's no body, no self in the tree, so there's no self in the body. So this is how you have to look at. Okay. ค m ถามจ m กทาง Facebook k ร u n i n ง k h ะ ระหว่างนั่งสมาธิรู้สึกเหมือนมีแรงกดทับลงทั้งตัวจนตัวหนักพอนั่งสักพักเหมือนร่างกายส่วนล่างตั้งแต่มือลงไปเบาแต่ส่วนบนยังหนักสุดท้ายก็เกิดอารมณ์กลัวใจเต้นรัวเร็วแรงจะแก้ปัญหาอารมณ์กลัวอย่างไรคะอย่าทิ้งกรรมฐานให้อยู่กับกรรมฐานไปถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นมายาเป็นของหลอกของปลอมมันไม่ได้มาทําให้เราเสียหายเดือดร้อนแต่อย่างใด อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวอาการกต่างๆก็จะหายไปคําถามจากคุณดิวค่ะเวลาเรานั่งสมาธิเผื่อในจิตสงบต้องเพ่งอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธและลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นอย่าไปสนใจเรื่องอื่นที่มาปรากฏไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรต่างๆก็ตามให้อยู่กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวจิตก็จะเน่งสงบวางเฉยได้จิตก็จะว่างเบาเย็ยนสบายคำถามจากทาง youtube คุณอานัตค่ะตั้งใจรักษาศีลเอาเฉยเฉยไม่กล่าวเป็นบาลีได้ไหมครับได้ให้เรารู้ว่าศีลมีอะไรบ้างแล้วก็รักษาไปเท่านั้นเองคำถามห ม, หมดแล้วน ะ, ะมีใครอยากจะถามอีกไหมเพราะว่าใกล้เวลาที่เราจะเลิกแล้ว ถ้าถามก็ต้องถามตอนนี้นะเดี๋ยวเลิกแล้วมาถามต้องขออภัยตอบไม่ได้เพราะไม่ไม่สะดวกถ้าอย่างนั้นก็เท่า น, นี้ก่อนสาหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพนิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ